ควรไหมจะไปสําคัญว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ไม่ควรเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นแลพิสูจนทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้เนี่ยนะก็ให้เห็นทั้งหมดนั้นว่าเป็นรูปใช่ไหมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะนนั้ไม่ควรไปสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรา ปติสัมพิธามมากล่าวว่าถ้าตามเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วได้ประโยชน์ยังไงอ่นะตั้งคำถามอันนี้ขึ้นนะอดีมากเลยนะว่าเอา้เมื่อก่อนเราก็ไม่ไม่คิดอะไรรู้แต่ว่าเจริญไม่เที่ยงแล้วดีเห็นนะตั้งคําถามว่าเอ้ถ้าตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วมีมีประโยชน์อะไรทําให้ได้ปัญญาอะไรขึ้นมาถ้าตามเห็นโดยความเป็นทุกข์แล้วมันทําให้ได้ปัญญาอะไรถ้าหากว่าตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาแล้วมันได้ปัญญาอะไรถ้าตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายแล้วมันได้ปัญญาอะไรขึ้นมา นะถ้าตามเห็นโดยความคลายกําหนัดเนี่ยนะวิราคะได้ปัญญาอะไรแต่าตามเห็นโดยความดับได้ปัญญาอะไรถ้าสละคืนในขันมันได้ปัญญาอะไรถ้าได้ปัญญาทั้งหมดเหล่านั้นมันจะก่อให้ได้ปัญญาอะไรกันขึ้นมานะท่านจะไล่ขึ้นมาเออหนาหนาสนใจมากนะใครก็ไปดูได้นะัเล่มเจ็ดสปัญญากถาอันนปัญญากถาเรื่องที่21พอดีนะปฏิสัมพิธามมักมีอยู่30เรื่องอันนั้นแบ่งออกเป็นสามวคกเนี่ยนะมหาวัค เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่ากรถาแรกก็วักแรกเรียกว่ายานะกถาวัคที่สองเนี่ยยุคนัดยุวัคที่สปัญญากรถาเนี่ยนะก็คือเรื่องที่21เนี่ยนะว่าถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาแล้วมันจะทําให้มีปัญญาอะไรขึ้นทุกขานุปัสสนาหน้าตาณุปัสสนาเนี่ยถ้าตามเห็นแบบนี้มากๆมันจะทําให้ได้ปัญญาอะไรแล้วปัญญาเหล่านั้นมีดียังไงเนี่ยนะนนก็ก็ไปไปอ่านเอานะเล่มบอกเท่าไหร่นะเมื่อกี้ ขอโทษขอโทษเล่มหกสิบเก้าเล่มหกสิบเก้าขอโทษขอโทษนะชื่อชื่อชื่อว่าปัญญากระถาอ่า น, นะชื่อเรื่องชื่อว่าปัญญาเลยแหละเ<ส>นี่ยของมาใช้อยู่สีเดียวเนี่ยคุณก็ดูเอาสีนี้ไว้ถ้าสีฟ้าก็เล่มสามสิบเอ็ดนาะเล่มเล่มสามสิบเอ็ดก็มีนะสีฟ้า ก็จะเห็นคุณของการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเออถ้าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วดียังไงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์แล้วดียังไงตามเห็นโดยความเป็นอนัตตามากๆแล้วดียังไงเนี่ยนะก็จะได้เห็นคุณของการเจริญมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าเอทถ้าไม่แต่ถ้าไม่พิจารณาไม่เจริญน่ะปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้เลย ก็บอกว่าเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจะได้ปัญญาอะไรบอกได้ชาวนาปัญญาชาวนะปัญญาก็คือปัญญาที่เล่นไปไวใช่ไหมเล่นไปว่ายังไงบ้างเล่นไปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณนี๊ใกล้ไกลเนี่ยไม่เที่ยงแล้วน้อมจิตไปในถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วใจเนี่ยจะน้อมไปหาอะไรก็น้อมไปหานิพพานเป็นต้นนั่นเองงั้นก็ เป็นคาถาที่น่าน่าเรียนมากอนะคือปฏิสัมพิทานเนี่ยก็เลือกเลือกอ่านเอานะแต่ถ้าไปแม้จะอ่านปุ๊บฉันจะต้องจําทั้งเล่มอันนี้ก็ใครอาจจะเริ่มขึ้นละมาสํานวนว่าเป็นคัมภีร์ที่เบิกฟ้าเลยว่างั้นเด็กเป็นคมภี์เบิกฟ้าใช้ทําไมเบิกฟ้าบอกว่าเขาพูดกันเป็นหมื่นๆในอะนะเป็นหมื่นเป็นพันในเพราะฉะนั้นก็คมภี์เบิกฟ้าจริงๆ ในสามุทะสูตรเนี่ยนะก็เนื้หาก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะเพราะว่าไม่มีอุปมาเลยที่ไม่มีอุปมาเพราะว่าภิกษุบางรูปไม่ไม่ต้องแสดงอุปมาก็ได้นะในสิ่งเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้รรมราชาเนี่ยสามารถจะแสดงแบบมีอุปมาหรือว่าอุปมาแบบนี้แล้วเข้าถึงใจบุคคล น, นั้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะอุปมาตามอัธยาศัยเนี่ยนะ ของเราเนี่ยฟังหลายๆสูตรเข้าก็เลยยังไม่รู้ว่าทยาศาสตรเราเป็นยังไงเหมือนกันนะ <S <S <S เจอยังคุณบุญโชวว่าเนี่ยเล่มยี่ิบเจ็ดเนี่ยสูตรไหนเนี่ยดีที่สุดชอบที่สุดฟังแล้วซึ้งที่สุดเจริญแลกุศลเจริญที่สุดเนี่ยเจอยังเจอเลยนะเนะดีแล้วสูตรไหนสูตรไหนอ๋อสัตตัดฐานสูตรเนี่ยนะเจอแบบภูการเลยนะแนว่าภูการชี้นามากกันเจอเหมือนกันเลยนะหมอยุพินเจ อ, อยังสูตรไหนสูตรไหน อ๋อสูตรเดียวกันนี่สัตตฐานสูตรจะเป็นมหาบุรุษจะเป็นยอดบุรุษกันทั้งนั้นหนึ่งกันนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณนภาเจ อ, อยังสูตรไหนเออเพนะพนะปินละสูตรเนี่ยนะฟองน้ําเ น, นี่ยนะฟองน้ํ า, าต่อมน้ํำนี่แหละแล้วจังแกสุดาละสูตรไหนอ๋อสูตรเดียวกันนะน <c oughs> ติดเชื้อกันได้เหมือนกันนะ่อยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันเลย <c oughs> แล้วคุณไพเรนสูตรไหน โอ้โเพน่าปินตะสูตรเนี่ยนะเออดีแล้วไปว้นะเออนี่แหละฟองน้ำต่อมน้ำพยับแดดต้นกล้วยและอะไรมายากลเน่ะนะได้แค่นี้ก็จแวจวละแสดงว่าชอบดูขันห้ามันทะเลาะ ก, กั น, นก็บอกว่าพวกที่พิจารณาถึงทุกข์ของขันห้านะจะรู้เลยว่าจิตคนนั้นจะน้อมไปในหนักไปทางสมาธินี่ไง ถ้าคนที่ชอบเอาเรื่องทุกข์มาพิจารณามากๆนะโดยอัธยาศัยคนนั้นเนี่ยจะหนักไปในทางสมาธิจิตเขาจะโอนไปทางสมาธิเป็นหลักนนะแต่ถ้าใครที่เนนน้อมไปในมันไม่เที่ยงพวกนี้จะเจริญด้วยศรัทธาเป็นส่วนใหญ่้นะนะองมาก็แล้วแต่ธาตมันกำเริบธาตุไหนมันกำเริบก็จเจริญไปตามธาตุนั้นไปตอนนี้สูตรนี้ดีวันหลังไม่ใช่แล้วสูตรหนึ่งดี นะอีกวันหลังไม่ใช่สูตรนะ่ะบอกคำพีอื่นดีกว่าชอบคำพีโน่น น, นะนะเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยแสดงว่าชอบไม่ค่อยแน่นอ น, น, นเพราะว่าทุกสูตรนี้ดีหมดเลยอีกสูตรหนึ่งนะคัดทูละสูตรเนี่ยนะสูตรสุนักถูกล่ามเนี่ยนะใครที่เลี้ยงหมาเนี่ยนะเห็นหมามันถูกล่ามอะไรก็คิดถึงสูตรนี้เข้าไว้ ก็เรียว่าสูตรหมาล่ามโซ่ก็ได้นะพูดแบบสำนวนไทยๆเราไง <c oughs> คัตทูละสูตรที่หนึ่งกล่าวว่าดูการพ่สู่ทั้งหลายสงสาร น, นี้มีที่สุดเบื้องต้นที่ใครๆตามไปเนี่ยนะรู้ไม่ได้แล้วเงื่อนต้นของสงสารไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ระลึกดูเถอดนะว่าตั้งกับสงสารเนี่ยคำว่าสงสารเนี่ยพูดถึงชาติทั้งหลายปฏิสนธินะทวนปฏิสนธิว่าไม่มีใครทวนจบเลยสําหรับผู้มีอวิชากางกัน้นมีตันหาเป็นเป็นเครื่องประกอบเครื่องผูกเนี่ยนะนะสํานวนหนึ่งบอกว่ามีอวิชาเป็นนิวร์มีตันหาเป็นสังโยชน์เนะนะี่ยนะก็อวิชาก็กัน้นไม่ให้เจริญกุศลยังไม่สังโยชน์ก็ผูกไว้กับขันห้าอัน ทวนเขรีกว่าทวนถอยหลังไปเนี่ยไม่มีจบเลยนะว่าตั้งแต่เมื่อไร่แต่ถ้าเป็นในอนามะตักข้าสังยุทธ์เนี่ยจะอธิบายอะไรบ้างจะขึ้นต้นด้วยน้ําตามมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรใช่ไหมเลือดมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรอีกกระดูกโตกว่าเขาเวปุระบรรทศอย่างเงี้ยนะน้ำนมที่ดื่มกินเนี่ยมากกว่าน้ําทะเลนี่มันก็ลักษณะนะั้นแต่อีกนี้อีกสัมนวนหนึ่งในหนึ่ง นะซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นภัยของวัตตะเหมือนกันว่าดูความพิสูจทั้งหลายสมัยที่มหาสมุทรเหือดแห้งไม่มีน้ำเนี่ยยังมีอยู่แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เมียวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้เลย น, นะคนที่ยังมีตันหามียวิชาเนี่ยนะไม่มีทางทาที่สุดแห่งทุกได้หรอก ปองก็อุปมาว่าทะเลแห้งมันยังเป็นไปได้เป็นไปได้นะทะเลจะแห้งหรืั้นเด็กก็ก็ผู้ที่ในคัมภีร์นั้นจะอธิบายดีในคัมภีไตรโลกวินิจฉัยกถาเนี่ยเล่มนั้นเนี่ยจะพูดถึงว่าทะเลมันจะแห้งโดยลําดับยังไงแต่ว่าถามว่าท่านว่าเองไม่ไม่ใช่พุทธพจน์ในอังคุตระนิการอธิบายไว้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นกี่ดวงแล้วทะเลมันแห้งเนี่ยจะบอกไว้ พระพุทธโพษฐ์เนี่ยบอกเลยว่าดวงอาทิตย์ขึ้นกี่ดวงก็คือระบบระบบไอจักราวาลเนี่ยมันหมุนเปลี่ยนไปนะดวงอาทิตย์จักราวาลอื่นมันหมุนมาในจักราวาล น, นี้มากขึ้นมันก็มันก็ร้อนนั่นนั้นแหละ น, ห น, นีนะยน่ยนะ อ, อยู่อังคุตรนิกายเล่มเล่มสามสิบเจ็ดนส่วนถ้าเป็นไตรไตรไตรไต ร, ต ร, ตรโลกวินิจฉัยเนี่ยเรื่องแรกๆเลยนะเราก็จะอธิบายไว้แต่ท่านก็เรียบเรียงเรื่องตามมาตรฐานดีกา บางส่วนบางส่วนแห้งใน่งับตัใ้ไปหจึเ็มอยู่ก็ังไปลอยลอยได้เลยอ๋อทะเลแห้งไมเ่ยนะแห้งแห้งเนขึ้น้นขึ้นนลงไปลอยได้เลยไม่จมาำมันน้เค็มอาทะเลแห้งอ๋อทะเลปิดอ๋อทะเลปิดนะบอกว่าทะเลมันยังแห้งได้แต่ว่าอวิชาตันหาในสัตว์นี่ไม่แห้ง ก็จะไปแห้งได้ยังไงใช่ไหยอวิชานี้แห้งด้วยแห้งด้วยอะไรจะแห้งด้วยอวิชาจะแห้งด้วยวิปัสนาใช่ไหมตัณหามันจะแห้งด้วยสมถะาทะเลข้างนอกมันแห้งแต่ว่าไอทะเลในเนี่ยคือตัณหาอวิชามันไม่แห้งเพราะไม่เจริญสมถะและวิปัสนาที่เป็นเหตุให้กิเลสภายในมันแห้งนะนะมันก็ทะเลภายนอกไม่แห้งแต่ทะเลภายในนี่ไม่ยอมแห้งเลยนะ ดูการพิสูจนทั้งหลายสมัยที่ภูเขาสินเนรุราชถูกไฟไหม้พินาฏไม่ปรากฏเนี่ยมีอยู่คือหมายว่ามันถูกเผาจนภูเขานี่ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยนะแต่เราจะทาคตไม่กล่าวสัตว์ทั้งหลายผู้มียอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดท่องเที่ยวไปมาอยู่จะทําที่สุดแห่งทุกได้ว่าภูเขาระเบิดจนไม่มีเหลือเป็นผุยผงเนี่ยยังเป็นไปได้แต่ตันหาเนี่ยอวิชชาที่ไม่มีเหือดไม่มีแห้งทําไมล่ะ ก็ไม่มีใครจเจริญสมมถะวิปัสนาพอที่จะให้มันอวิชากับตันหานี่มันเหือดแห้งอะไรเลยใช่ไหมอวิชานี่ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรคนะอย่างวันนี้เราคิดถึงอริยรสัจสักกี่ครั้งเนี่ยไม่ต้องไปว่าทํากิจกอริยสัจเราก็คือคิดถึงอริยสัจก่อนเนี่ยแล้วทํากิจของอริยสัจอะไรบ้างพอที่จะให้มันตรัสรู้ได้พอที่จะละอวิชาได้เนี่ยนะหรื อ, อส ม, มถะเนี่ยจเจริญพอที่ตันหามันจะเหือดแห้งไปไหมอย่างเงี้ย มันก็บอกว่าภูเขาเนี่ยมันจะกระจายไม่มีเหลือนะยังเป็นไปได้แต่ว่าอาวิชากับตันหานี่ไม่มีลดอะไรเลย <c oughs> ดูก่อนพิ่สุทั้งหลายสมัยที่พื้นแผ่นดินใหญ่เนี่ยถูกไฟไหม้พินาฏไปไม่ปรากฏเนี่ยยังมีอยู่แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ น, นะแผ่นดินไม่มีเหลือนี่ ย, ยังเป็นได้ย แต่อวิชากับตันหานี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันเถอะเพราะอะไรถ้าอาวิชตาตันหายังมีอยู่นะอะไรยังถ้าเท่ากับอะไรยังมีอีกอวิชตาตันหามันเป็นศีสระของสังสารวัตใช่ไหมถ้าอวิชตาตันหายังเหลืออวิชานี่นำมาซึ่งสังขารและตันหานํามาซึ่งอุปาทานเนี่ยนะสังขาร น, นํามาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณอุปาทานนํามาซึ่งพบพบก็นํามาซึ่งชาติสรุปว่าทั้งอวิชตาทั้งตันหานี่นำ นำมาซึ่งปฏิสนธิในในพบใหม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแผนอะไรมันจะทำลายก็ช่างเถอะแต่ปฏิสนธิของสัตว์นี่ไม่มีการทำลายง่ายๆไม่มีใครทำลายปฏิสนธิได้ง่ายๆเนี่ยนะทำลายยากจริงๆทีนี้พระ อ, องค์ก็อุปมาว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายสุนัขที่เขาล่ามเชือกแล้วเนี่ยนะล่ามโซนะถูกล่ามมาไว้ที่เสาอันมั่นคงย่อมวิ่งวน หลักหรือเสานั่นเองแม่ชันใดสุนัขล่ามโซ่นะีอุปมาให้เห็นก่อนว่าสุนักเหมือนกับปุตชนทั้งหลายผู้อยู่ในวัฏฏะนี่เช่นกับสุนัขเชือกที่ล่ามโซ่เหมือนกับเชือกกับโซ่เนะี่ยคือทิฏฐิส่วนเสานี่คืออุปาทานขันห้าหรือส ก, กายะเนี่ย น, นะก็สรุปว่าปุตชนผู้ยังติดข้องอยู่ในวัฏฏะถูกล่ามด้วยทิฏฐิเอาไว้ในอุปาทานขันห้า นะถูกล่ามด้วยตันหาที่ที่เนี่ยในขันท่าก็ทิ่ที่การวิชาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีขันไหนบ้างเอาโอ้โหเนี่ยทุกทุกขสมูไทยทุกขณิโรทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยถ้าไม่เห็นก็นั่นแหละถูกล่ามกับขันอันนั้นแะ่ะทั้งขันภายในขันภายนอกมันล่ามไมหมดละทีนี้ถ้ามันล่ามเอาไว้หลายถ้าเส้นเดียวนะั้มันไม่ค่อยน่ากลัวหรอก แต่ถ้าเป็นสูตรอื่นบอกมันล่ามไม่หลายเส้นมากนะมั้ยอันโตชตาประหิชตาว่างั้นมันชัดทั้งภายในมันชัดทั้งปลายนอกมันชัดเหมือนกับกอไผ่มั้งนั่นเน่ยมันสะสางยากถามยากเนี่ยมันไม่ใช่โซ่เดียวนะอะดูแนละ้ววานไหนไม่ถูกล่ามไว้บ้างนะหายากเต็มทีนะ ป, นปุตุชนที่ถูกล่ามเป็นยังไงบอกว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ <c oughs> นะ จะจะพูดถึงว่าโทษของวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะมันเกิดจากการไม่ได้สดับนี่นนะให้กวนพุทธพจน์อันนี้นี่เราเห็นเห็นมาเยอะแล้วใช่ไหมเป็นพุทธพจน์ที่ไม่ต่ํากว่าหนึ่งแห่งในพระไตรปิฎกคือคําว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับอัศสุตวานี่นะอัศสุตวา่าปุตชโนเนี่ยไอคำไม่ได้สดับนี่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากสําหรับศาสนานี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่เป็นสาวกนะกเว้นแต่พระปัจเจกกับพระ พ, พ, พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย ส่วนที่เหลือนี่ต้องอาศัยการสดับหมดพันถือว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายกว่าการไม่ได้สดสับอีกแล้วเนี่ยน ะ, ะการไม่ได้สดับหรือไม่ได้เห็นพระอาริยะเจ้าคําว่าสดับคือฟังควรจะฟังอะไรการไม่ได้ฟังอริยสัจนั่นแหละว่าให้เต็มเลยนะการไม่ได้ฟังอริยสัจนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายมากนะไม่มีอะไรจะเสียหายกว่านี้อีกแล้วทีนี้พอไม่ได้ฟังอริยสัจนะก็ไม่ได้ทํากิจของอริยสัจ ไอ้คำว่าไม่ได้เห็นอริยะเจ้าเนี่ยเห็นตัวนั้นหมายถึงเห็นอริยธรรมนะคือไม่ได้เห็นว่าทุกขคืออุปาทานขันธ์ห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ได้เห็นสมุทัยที่ควรละไม่ได้เห็นนิโรธไม่ได้เห็นธรรมะที่ทําให้แทงตลอดนิโรธและไม่ฉลาดในอริยธรรมคือไม่ฉลาดในสติปัฏฐานสัมมปปทานอิธิบาทอินทรีย์พละโพ้ชงอริยมรตมีองค์แปดและไม่มีวินัยของพระอริยะไม่มีวินัยสิประการ แต่ทั้งหมดเหล่านั้นเกิดจากการไม่ได้สดับเมื่อไม่ได้สดับก็ไม่รู้ว่าโอ้นี่ธรรมะของพระริยเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าโอ้ธรรมะของพระริยเจ้าต้องปฏิบัติแบบนี้ไม่รู้ว่าโอ้โนี่วินัยของพระริยเจ้าท่านปฏิบัติดําเนินกันอย่างนี้จึงได้พ้นทุกเนี่ยนะมันการไม่สดับนี่ถือว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายกว่า น, นี้อีกแล้วเนี่ยนะสมัยก่อนนีเขาได้ข่าวอา้าวพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ร้องไห้เลยนะหลงตาสุพัทธาบอกดีใจเลยเหมือนั้น เออตายก็ดีเหมือนกันเราจะต่อไปเราจะทําอะไรเราก็ทําได้อย่างใจเราชอบเนี่ยนะก็มีคนแบบนั้นเน่ยนะยินดีที่จะว้าวัตตาอีกต่อไปอะ่ะคือยินดีที่จะบริหารขันต่อไปโดยที่ไม่มีกาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คิดจะเลิกคิดจราบพราะ ง, งั้นเอะคิดดูนะต้องการหวีผมอย่างงี้ไม่มีเลิกไม่มีรานาะหวีไปเลยนะของเรานี่ท่าผมที่หวีหวีไปเนี่ยนะถ้าเอาความยาวมาต่ อ, ต, อต่อกันเนี่ยนะยาวถึงไหนแล้วก็อาจจะ คงจะหลายเม็ดเนนะจะว่าวัดรอบก็แค่ว่าจะว่าเอามาพันรอบสารามันก็น่าเกลียดนะนะบอกคงจะหลายเม็ดแล้วเหมนกัน <c oughs> วันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะคือไม่ได้สดับอริยสัจไม่เห็นธรรมะอริยธรรมหมายถึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ฉลาดในอริยธรรมคือสติปัฏฐานเป็นต้นไม่มีวินยัยสิประการเนี่ยนะ มันก็ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอัตตาเขาบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อยู่ในอัตตาอัตตาเนี่ยอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันก็สรุปแล้ววนๆอยู่นี่แหละเหมงอนนเขาจะเล่นวนเวียนอยู่ในรูป วนเวียนอยู่ในเวทนาวนเวียนอยู่ในสัญญาวนเวียนอยู่ในสังขารวนเวียนอยู่ในวิ ญ, ญญาณเอาถามว่าใครวันนี้ยคิดอะไรพ้นขันห้ามีไหมไม่มีก็คิดอยู่ในกขนันห้ามไปจากขันหนึ่งไปหาขันหนึ่งอ่ะนะว่าให้ตรงกับอี่างเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งเรื่องขันห้าทั้งนั้นเลยนะวิชาในโลกนี้คือวิชาสอนขันห้ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีใครคิดพ้นขันห้าเลยปุตชนต์แต่จะคิดก็คิดแต่ขันหา้าทุกวิชาในโลกนี้นะเว้นแต่วิชาเทวไตรยดกอย่างที่ว่าเนี่ย ที่สอนให้บอกว่ามันมีสิ่งอื่นที่มันดีกับขันห้านะก็มีอยู่อย่างเดียวนี่แหละแต่ถ้าเป็นคำพีร์อื่นๆนะบอกเป็นคำภี์ที่ชมขันห้าบางคมภีชมรูปประขันบางคำพีชมรูปประขันก็เช่นบางคำพีชมแต่เรื่องเส้นผมอย่างเดียวอนะบางเล่ม น, นะบางวิชาก็ชมแต่ผิวหนังอย่างเดียวว่าผิวนี่ดีอย่างนี้เนะี่ยบางวิชาก็สรุปแล้วชมขันห้าหมดเลยพูดขันห้าหมดแต่ว่าที่จะวนให้มันพ้นขันห้าไม่มีเลยอนะ แล้วถ้าลองสมมุติหน่อยดีครับสมมุติว่าผมไปมีใครทุกคนไปชมเพชรพลอยอย่างเงี้ยครับแหมโอ้โหเพชรตัวนี้มันสวยเหลือเกินนี่ออันนั้นก็ชมขันห้าอยู่ดีอย่างนียก็ชมขันห้าเพราะเพชรพลอยเป็นรูปประคันใช่ไหมจิตเห็นก็เป็นวิญญาณขันเนี่ยนะพัสสะเวทนาสัญญาเจตนาก็เป็นนามขันที่เหลือมันก็ถ้าชมในการเห็นก็คือชมขันห้าชมที่ได้ยินในเรื่องนั้นก็ชมขันห้า ก็สรุปว่าชมขันห้าหมดไม่มีพ้นขันห้าแม้แต่ขันเดียวนะถึงไม่ชมถึงจะด่าก็ดาก่ดาขันห้าอีกนั่นแหละนะสรุปว่าไม่มีปุตุชนนะไม่มีใครคิดพ้นขันห้าถึงจะบัญญัติก็บัญญัติอยู่ในเป็นบัญญัติที่อาศัยขันห้าอีกทีหนะึ่งก็วนอยู่นี่แหละเหมือนกันเถอะปุตุชนเนี่ยเหมือนกับอะไรนะสุนี้เหมือนกับสุนักเลย ไอ้ทิฐิที่ไปผูกไว้กับขันห้าเหมือนเชือกล่ามขันห้าเป็นเหมือนกับเสาเนี่ยนะถูกล่ามเพราะฉะนั้นไม่มีใครพ้นอะ่ะวนอยู่นี่แหละไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วของมาจะพ้นจากล่ามนะก็ยังถูกล่ามอยู่นี่แหละฉะั้นเห็นนี่ก็ล่ามทางตาได้ยินก็ล่ามทางหูงเนี่ยนะก็ถูกล่ามทุกทวารเดี๋ยวไอ้ตัวที่เชือกมันมัดเนี่ยมันล่ามด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวสูตรแต่ก็ว่าบับพระต่อไปนี่จะเข้าว่าด้วยเชือกที่มันล่าม ก็บอกว่าเชือกมันล่ามตากัล่ามสีเอาไว้เนี่ยนะมันล่ามไว้อย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวมาเรียนสังโยชนตบพะตาเนี่ยมันเรียกว่าตามันผูกสีหรือว่าสีมันผูกตาหรือว่าตัณหามันผูกกันแน่น่นนะก็ก็ก็ได้กล่าวกันครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาวนเวียนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ก็ไม่พ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาจากสังขารจากวิญญาณก็ไม่มีพ้นอ่ะนะเมื่อไม่พ้นอ่จะ การเกิดขึ้นครั้งแรกของขันห้าเรียกว่าชาติความสุดโรมของขันห้าเรียกว่าชราความแตกทําลายของขันห้าเรียกว่ามรณะถามว่าสะเทือนใจไหม น, นะโศกะก็เกิด น, นะพร่ำเพรือถึงเสียดายขันเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นปริเทวะเนี่ยนะก็บริหารขันก็ทุกกายบริหารขันก็ทุกใจเนี่ยนะแล้วก็คับแค้นใจ พวกนี้ก็เป็นผลพวงจากการวนๆอยู่ในขันห้าเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นก็วนกันอยู่ในขันห้าจริงๆของเราฟังขันห้าอย่างนี้ก็น่าจะเห็นโทษบ้างนะเห็นไหตอนฟังกันนะก็คิดถึงคําสอนแล้วเห็นครั้งหนึ่งวันหนึ่งคิดถึงแล้วเห็นครั้งหนึ่งก็อของามังสายจะได้บุญเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าพูดให้ก็เห็นโทษของขันห้าได้อ่นะก็อ่านคําสอนให้ฟังเหมือนันงนั้นการขันห้าเนี่ยมันเป็น เป็นตัวที่ทำให้วัตตะเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นถ้าผู้ใดยังชื่นชมเพลดิดเพลินในขันท่าก็ชื่นชมเพลดิดเพลินในกองทุกเนี่ยนะอันนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าโอ้โหนี่ถ้าเรามีเด็กสักคนหนึ่งมาเลี้ยงดูนะจะดีมากเลยนะมันหัวเราะบ้างยอกเย้าเล่นหน้าบ้านเนี่ยนะจบอกว่าแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะกองทุกบานเนี่ยนะ กองโตเลยนะสมมุติว่าผู้การนึกมีกรุณาขึ้นมาเอแต่หาเด็กมาสักคนหนึ่งมาเลี้ยงเน่ยนะงสักสามคนก็ได้เนี่ยนะใจใหญ่เงนะเลี้ยงเลยเด็กสักสามคนเนี่ยนะนะจะส่งเสียมันหมดทั้งชีวิตตลอดสายเลยนะโอ่ะโหกำลังคิดว่าถึงสุขหรือทุกข์ก็ไม่รู้นะผมเคยคิดครับอกโอ้โหนี่นะถ้าได้มันนิ่มมานะโอ้โหคงยุ่งกันหนาเลยนะผมเคยคิดเล่นๆนะ ผ่าลามกตามมาไม่มีเวลาสายทุกข์ขันทุกใหญ่เลยนะมหาทุกขกขันตสูตสดนี่เริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมในคนมุนชูนะ <c oughs> ส่วนพระรยาสาวกเนี่ยจะผู้ได้สะดับแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นไงคือผู้ที่ฟังในเรื่องขันห้านะ อริยสาวกเนี่ยที่ฟังแล้วก็ฟังอะไรฟังฟังทุกสมุทัยนิโรธมักฟังเรื่องทุกก็ทุกก็คือขันห้าฟังว่าไงบ้างก็ฟังว่าขันห้าเที่ยงหรือไม่เ ท, นะที่ยงไงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรา น, นั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรบอกเออเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยเขาฟังอย่างนี้มากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนื่องจากขันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกเนี่ยนะ บรรผู้ที่ได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ใคร่ครวญแบบนั้นเนี่ยการใคร่ครวญดังนั้นเรยก็เห็นทำเห็นพระอริยะคือเห็นพระอริยะไม่ได้เห็นด้วยจากขวิญญาณนะไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เน้นเห็นด้วยที่ประจักษ์สุขไม่ได้เห็นด้วยจากขวิญญาณแต่เห็นด้วยปัญญายามเนี่ยเห็นว่าเห็นธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยะเพราะพระอริยะทั้งหลายท่านก็เห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย แล้วก็เห็นอริยธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานการตามไคร้ครวนเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละเป็นธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยะขึ้นแล้วก็ดํารงมั่นอยู่ในวินัยสิบประการของพระอริยะเนี่ผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตามีรูปรูปในอัตตาอัตตาในรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เหมือนกันไม่เห็นว่าวิญญาณเนี่ยเป็นอัตตา อัตตาเนี่ยมีวิญญาณหรือว่าวิญญาณนี่อยู่ในอัตตาอัตตาอยู่ในว hm ิญญาณนี่ไม่สำคัญผิดสักอย่างนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ในในขันท่าจริงๆแล้วก็ขันท่าก็ไม่ใช่ใครอีกนั่นแหละมันเธอจะไม่เล่นวนเวียนอยู่ในรูปเนี่ยนะไม่แล่นวนเวียนอยู่ในเวทนาไม่แล่นวนเวียนอยู่ในสัญญาไม่เล่นวนเวียนอยู่ในสังขารไม่เล่นวนเวียนอยู่ในวิญญาณ คือจะต้องมีอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่ขันห้านะจึงจะพ้นขันห้าได้ถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์นะไม่มีทางพ้นขันไม่มีทางพ้นจากขันห้าต้องมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขันห้าเป็นอารมณ์จึงจะพ้นจากขันห้าได้อันนั้นแหละที่ธรรมะของเราเรียกว่านิพานแต่ในขณะเดียวกันก็ขันห้าก็ชอบนะแล้วสแสวงหาไออารมณ์อันนั้นอีกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านิโรธหรือพระนิพานเนี่ยนะ สแสวงหาพ้นโดยที่ไม่รู้ขันห้าแล้วเจอจับจะพบไหมอ่า น, นะสแสวงหานิพานโดยที่ไม่รอบรู้ขันห้าเลยจะพบนิพานไหมก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครสแสวงหานิพานก็สแสวงหาในขันห้าเ น, น, นี่ยนะนคือถามใช้คําว่าสแสวงหาในขันห้านะก็สแสวงหาจากผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละจะเจอนิพานที่นั่นอ่ะ น, นะ เออมีอยู่สูตรนึงเขาบอกว่านิพานเนี่ยปรากฏแจ้งในพระอริยเนี่ยท่านเจอแถวผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละมันเจ อ, อยังไงอ่ะอัน น, นี้ก็ฝากเป็นการบ้านไว้คิดนะนี่เจอนิพานอยูออ่แถวแถวผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละแล้วมันไปปรากฏที่ขันห้าคือปัญญาด้วยออก็เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของปัญญาขันเนี่ยนะก็อยู่ในขันก็ปัตคือไม่ใช่อยู่ในขันห้านิพานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ขันห้า ไม่ใช่ขันห้าเป็นปัจจัยแก่นิพพานพูดถึงตัวโลกุตรจิตครับโลกุตรจิตก็นั่นแหละโลกุตรจิต ไ, ไ, ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่นิพพานนะไม่ได้เป็นแต่นิพพานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่โลกุตรจิตที่นี่วิปัสนาจิตทั้งหลายต้องเบื่อหน่ายในขันห้าอย่างเต็มที่บริบูรณ์แล้วก็สลัดออกจากขันห้าเห็นไนะแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งที่รองรับคื อ, อนะนิพพาก็ปรากฏขอบแก่ผู้ที่เบื่อหน่ายใน ในขันห้าเนี่ยนะตัวที่ไปดูตัวที่เห็นตัวที่เห็นก็เป็นโลกุตระจิตใช่ก็อยู่ในขันก็คือตัวนามขันแต่เป็นนามขันที่เกิดจากกุศลละขันเดี๋ยวนะก็คือเกิดจากกองแห่งศีละขันสมาธิขันปัญญาขันนะฟังขณะที่เห็นนิพานขณะนั้นเป็น ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันที่บริบูรณ์ซึ่งจะมีผลให้เกิดวิมุติขันเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์อยู่นะพูดง่ายๆว่าอยากคิดว่าจะพ้นจากขันห้ายังไงเอาเอาแบบภาษาง่ายๆเลยนะเขาบอกว่าถ้าคุณ r r ยังรับรู้ขันห้าอยู่อยากคิดว่าจะพ้นจากขันห้าเพราะฉะนั้นแสวงหาสิ่งที่มันไม่ใช่ขันห้าเถอะแต่ไม่ใช่บัญญัตินะ ไม่ใช่บัญญัติที่มันสร้างวิมเมืองในอากาศขึ้นมาแล้วก็จินตนาการเมืองนะเมืองเดนหนึ่งแดนหนึ่ ง, แ, นนงแล้วก็นั่งโว้ฝันว่าที่นั่นนะมีเพลงเพราะๆเสียงเพราะๆ เ, ะเะนี่ยนะไม่มีแต่ไปคิดอย่างนั้นก็ไม่พ้นขันห้านั่นแหละมันต้องคิดยังไงก็ได้ให้พ้นขันห้าแต่จะพ้นขันห้าก็ต้องรู้จักรู้จักพิษของขันห้าให้บริบูรณ์เลยนะก็บอกว่าถ้ายังไม่รู้จักพิษของขันห้าเนี่ยนะ ไม่คลายขันห้าเด็ดขาดเออสัพ์ภาษาไทยไแปลวิราคาเนี่ยเขาแปลตรงกันบอกว่าสํารอกกันนะก็บอกว่าถ้าไม่เห็นพิษของขันห้าเนี่ยจะคลายขันห้าไม่ได้แนะ่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นว่าเออขันห้าที่จับต้องนี่มันพิษทั้งนั้นอ่ะนะคือเรียกสับตามสูตรเขาก็บอกว่าอริยาสาวกเมื่อฟังอย่างนี้ก็จะเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าก็จะพ้นจากรูปคือจะไม่มีรูปเป็นอารมณ์ไม่มีเวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารเลย วิญญาณเป็นอารมณ์จิตที่จิตที่ไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์จิตอันนั้นเรียกว่าโลกุตระจิตจิตที่มีขันห้าเป็นอารมณ์เรียกโลกิยะจิตหมดเลยนะจิตที่มีขันห้าเป็นอารมณ์เป็นโลกิยะจิตหมดจิตที่พ้นจากขันห้าจิตที่ไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์เรียกว่าโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ระดับโลกุตระจิตเนี่ยนะจิตเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยไม่ให้ปฏิสนธินี่ยังลง เพราะฉะนั้นจะไม่มีปฏิสนธิคือชาติเมื่อไม่มีชาติชาราจะมีมาแต่ไหนใช่ไหมเมื่อไม่ชาราและจะตายทําไมอะ่ะอา้าวไม่แก่และจะตายทําอะไรเนี่ยนะเมื่อไม่ตายนะเมื่อไม่เกิด ไ, ไม่แก่ไม่ตายอาจจะมาเสียใจร้องไห้ทุกกายทุกข์ใจขับแค้นใจจะมาทําอะไรนะก็ไม่มีอยู่แล้วเราตะทาโคตกล่าวว่าเขาจะพ้นไปจากทุกข์เหมือนกันเถะ เออเราก็อยากอยากมีขันท่าอยู่ด้วยแต่ต้องการความสุขจะทํำยังไงกันเนี่ยนะก็ปุถุชนโดยมากก็จะคีดอยู่เท่านี้แหละเนี่ยนะคือต้องการ น, นะนะก็มีในะสมัยพุทธกาลก็มีคือเขาต้องการอยู่ครองเรือนแบบนี้แหละมีความสุขกับปุตรกับพัญญากับครอบกับครัวนี่แหละแต่ว่าตายแล้วอยากไปสวรรค์ เขาก็าต้องการเท่านั้นจริงๆนะเออสมัยพุทธกาลนี่มีนะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าแบบนี้พระ อ, องค์ก็สอนไปนะพระองค์ก็สอนเรื่องให้ทานเรื่องรักษาศีลเนี่ยเรื่องกุศลกรรมบทเนี่ยเนื้อทําทอย่างนี้ได้แล้วดีเองเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้สุขจริงๆรอกกันนะคือพระ อ, องค์ตอบตามนั้นก็ตอบตามที่เขาถามแต่ทายาสายจริงๆก็บอกว่าไม่รู้อะไรนั่นแหละต้องการกอดไว้กับกองทุกนั่นแหลนะเนี่ย เออที่เราร้องไห้นะมีไหมร้องไห้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นะมีไหมไม่พน้นเสียใจก็ไม่มีพลเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้นะ่ันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความลำบากใจทั้งหลายแหละก็วนๆอยู่ในในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ก็คัดทูรสูตรที่หนึ่งเนี่ยก็จบแล้ว